ผู้เพลิดเพลินในโลกทั้งสองผู้ได้ทําบุญไว้ย่อมเพลิดเพลินในโลกทั้งสองคือทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเขาย่อมเพลิดเพลินว่าเราได้ทําบุญไว้แล้วเมื่อไปสู่สุคติย่อมเพลิดเพลินมากขึ้นอธิบายความในความส่วนใหญ่คล้ายคลึงกับเรื่องที่ผ่านมาแล้วจึงไม่ต้องอธิบายมากความเพลิดเพลินเป็นความต้องการของคนทุกคนต่างกันแต่เพียงเรื่องที่จะนําความเพลิดเพลินมาให้เท่านั้นบางคน เพลิดเพลินด้วยการทำชั่วเช่นฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติปนิการผู้เท็จเป็นต้นบางคนเพลิดเพลินด้วยอบายมุกเช่นเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนบางคนเพลิดเพลินด้วยดนตรีบางคนด้วยการค้าหากําไรบางคนด้วยการเล่นการเมืองหาชื่อเสียงล้วนแต่มากมายหรือจะจระไนได้หมดแต่รวมกว่าวว่าคนทุกคนชอบความเพลิดเพลินในบรรดาสิ่งที่ให้ความเพลิดเพลินทั้งหลายการทำบุญ และการประกอบกรรมดีก็เป็นความเพลิดเพลินอย่างหนึ่งของคนดีและดูเหมือนจะเป็นความเพลินที่ดีที่สุดเพราะยังยืนกว่าบริสุทธิกว่าและเป็นทางนําตนไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ด้วยเรื่องสุมนาเทวีสุมนาเทวีเป็นธิดาคนเล็กของท่านอนาถาพินทิกะเศรษฐีเป็นตัวแทนของเศรษฐีเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงพระทำบุญที่บ้านเพราะโดยปกติเศรษฐีไม่ค่อยได้อยู่บ้านมีงานรับเชิญมาก ตรงไปงานนั้นงานนี้อยู่เป็นประจำไม่ได้ขาดนางวิสาขามหาอุบาสิกาก็เหมือนกันงานใดที่ไม่เชิญท่านทั้งสองนี้ไปคนทั้งหลายก็ติดตีนเจ้าของงานนั้นเช่นว่างานอะไรกันจ่ายชรัพตั้งแสนแต่ไม่เชิญท่านผู้เป็นมงคลทั้งสองมาคนทั้งหลายในเมืองสาวัตถีมีความเคารพรักใคร่ท่านทั้งสองด้วยและเพื่อป้องกันการติดตียนด้วยจึงต้องเชิญท่านทุกครั้งไปแต่งานเลี้ยงพระที่บ้านของท่านทั้งสองก็มีเหมือนกัน มีเป็นประจำทุกวันสีด้วยบ้านท่านอนาถาปิณิกะเรียงพระวันละสองพันรูปบ้านนางวิสาขาก็สอง0ันรูปพันกันท่านทั้งสองจึงหาทางแก้ไขโดยหาบุคคลที่สมควรทำงานแทนตนได้ให้อยู่รับงานส่วนตนจะได้ไปในงานรับเชิญได้โดยไม่ต้องกังวลนางวิสาขาได้ให้หาลานหญิงคนหนึ่งเป็นผู้ดูแลแทนตนส่วนอนาถาปิณิกะก็ให้ทิดาคนใหญ่ชื่อมหาสุพัฒนแทนตน เมื่อมหาสุภัฏธาทำงานนี้อยู่เลี้ยงพระและฟังธรรมเนืองๆเข้าได้เป็นโสดาบันแล้วแต่งงานไปอยู่กับสามีเศรษฐีจึงให้จุลสุภัฏาน้องสาวแทนต่อมานางได้เป็นโซดาบันแต่งงานและวไปอยู่กับสามีเสียอีกคราวนี้เศรษฐีตั้งธิดาคนเล็กชื่อสุมนาเทวีให้เป็นผู้จัดการเธอฟังธรรมอยู่บ่อยๆได้บรรลุสกทาคาไม่ผลต่อมาเธอป่วย มีความกระสับกระส่ายให้คนไปตามบิดามาเศษถีรีบกลับมาจากงานมงคลแห่งหนึ่งเมื่อท่านเศรษฐีถามว่าเป็นอะไรไปลืะลูกเธอเรียกเศรษฐีว่าน้องชายลูกเพอ้อไปหรือไม่เพอ้อน้องชายลูกกลัวหรือไม่กลัวน้องชายสุวรรพูดได้เดพียงเท่านั้นก็สิ้นใจเศรษฐีแม้จะเป็นโสดาบันแล้วก็ไม่อาจกั้นความโศกได้เมื่อปรงศพที่ดาเสร็จแล้วก็ร้องไห้ไปฝ้าพระศาสดา กาทูลเรื่องทั้งพวงให้ทรงทราบความตายเป็นเรื่องธรรมดาของสามสัตว์ท่านร้องให้ทำไมพระศาสดาตรัสบอกข้าพระเจ้ารู้ข้อนั้นเศรษฐีทูลแต่ทิดาของข้าพระองค์เป็นคนดีเหลือเกินข้าพระองค์เสียใจอยู่ว่าเธอผู้มีคิริอตัปักมีใจประกอบด้วยกุศลเห็นป่านนั้นเมื่อจวนตายยังเพอ้อหลงทำการกิริยาโทมานาจึงเกิดแก่ข้าพระองค์ไม่น้อย เศรษฐีได้ทูลเล่าเรื่องที่ทนสนทนากับพิดาโดยเส้นเชิงพระศาสดาผู้มีพระาพพรยานอันไม่ได้ติดขัดจึงตรัสว่าเศรษฐีทิธิดาของท่านพูดเช่นนั้นนางหาได้เรียกท่านว่าน้องชายในความหมายธรรมดาไม่แต่ท่านเป็นน้องชายของนางโดยมรรคและผลนางได้เป็นใหญ่กว่าท่านโดยมรรคและผลท่านเป็นเพียงโสดาบันส่วนนางได้เป็นสกทาคามีแล้วนางจึงเรียกท่านว่าน้องชายเศรษฐีแสดงอาการปราบลืมและถาม เวลานี้นางเกิดที่ไหนพระเจ้าข่าเกิดแล้วในภพลุสิทธิ์พระศาสดาตรัสตอบเศษฐีทุนว่าธิ่ดาของข้าพระองค์เพลิดเพลินอยู่ในหมู่ญาติในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วยังเพลิดเพลินในเทวโลกอีกหรืออย่างนั้นแล่เษฐีบุคคลผู้ไม่ประมาทเป็นบรรพจิตหรือเครหัขัดก็ตามย่อมเพลิดเพลินในโลกทั้งสองดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งในยกขึ้นกล่าวแล้วแต่เบื้องต้นว่าผู้เลยทําบุญไว้ ย่อมเปิดเผนในโลกทั้งสองเป็นต้น